ตัวนี้ชื่อว่าปุระสูตรครับปุระชาานดอกไม้ปุระสูตรอยู่ในสังยุตตนิกยขันธวารวักนะท่านกล่าวว่างี้นะครับดูก่อนพิษุทั้งหลายในโลกมีโลกธรรมตถาคตย่อมตรัสรู้ย่อมบรรลุ คนตัดสู่แล้วบรรลุแล้วตถาคตก็บอกแสดงแต่งตั้งเปิดเผยทำให้ตื่นซึ่งโลกธรรมนั้นนะก็หากว่าใครไม่รู้นะครับผู้ที่โง่เขานะี่ก็ไม่รู้ตถาคตจะไปว่าอะไรเขาซึ่งเป็นคนบอดเป็นคนโง่เป็นค น, เ ป, น, คนเป็นปุถุชนนะครับพระสูตรนี้น่าสนใจนะครับ เราถูกพระพูทภาคทรงทรงว่าเอามังหรือเปล่าในโลกย่อมมีโลกธรรมตถาคตย่อมตรัสรู้ย่อมบรรลุขั้นตรัสรู้และบรรลุแล้วก็บอกแสดงแต่งตั้งจำแนกเปิดเผยทำให้ตื่นซึ่งโลกธรรมนั้นก็ผู้คนได้ไม่รู้เราตถาคตจะไปว่าอะไรเขาผู้ซึ่งเป็นคนโง่เป็นคนบอดเป็นปุถุชนน่ะเห็นไหม อ่าแล้วทำการทำตัวนี้โลกธรรมคืออะไรเจ๊ะท่านแสดงคือกําลังเลืกว่าเอ้เราเนี้ยก็ไม่ไม่รู้แจ้งซึ่งโลกธรรมแปดจริงๆเมื่อไม่รู้โลกธรรมแปดจริงๆนะถ้าหากว่าเราไม่มีความเพียรพยายามที่จะศึกษาให้เข้าใจเรื่องโลกธรรมจริงจริงแล้วเนี่ยพระ อ, องค์จะมาว่าอะไรเราก็คือพุทธศาสนานี้อ่มีการ ฆ่าทิ้งเนี่ยด้วยการไม่ว่ากล่าวตักเตือนและสั่งสอนก็อบอกว่าเหมือนกับการฝึกม้านะมาบางตัวเนี่ยฝึกด้วยวิธีที่นิ่มนวลละมุนละไมบางตัวนี่ลงแท้หนักบางตัวนี่ทั้งนิ่มนวลละมุนละไมควบคู่กันไปส่วนตัวที่ฝึกไม่ได้ก็คือฆ่าทิ้งในธรรมวินัยนี้ก็เหมือนกันพระองค์มีวิธีการสอนที่ ละมุนละไม่ก็คือสอนเรื่องของกายสุจริตวจีสุจริตและมโนสุจริตพร้อมกับผลของสุจริตทั้งสามบางคนก็แสดงกระสูตรลักษณะนี้ก็ฝึกได้ละอย่างนี้เขาเรียกว่าพิธีที่ละมุนละม่าบางพวกนี้ไม่ได้เลยนะต้องทุจริตสามกายเนี่ยลูชย่ชั่วอย่างนี้วจีชั่วอย่างนี้มโนชั่วอย่างนี้ผลของกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตเป็นอย่างนี้ ก็คือพูดถึงอบายทุคติวินิบาศนรกอันนี้เรียกว่าฝึกแบบหนักบางที่เนี่ยเอาทั้งคู่เลยทั้งหนักทั้งทั้งละมุละม่อมแล้วก็ชนิดสุดท้ายก็คือฆ่าทิ้งคำว่าฆ่าทิ้งในพระพระวินัยของพระตถาคตหรือวินัยของพระอริยก็คือการไม่ว่ากล่าวตักเตือนหรือแนะนำสั่งสอนทีนี้พอฟังคาว่า ถ้าหากว่าสัตว์ทั้งหลายไม่รู้เรื่องโลกธรรมจริงๆใช่ไหมพระองค์จะมาว่าอะไรได้พระองค์จะว่ากล่าวอะไรได้นึกถึงนะตรงนี้แหละที่ที่ทำให้เห็นลักษณะของพระพุทธ ศ, ศาสนาอย่างหนึ่งว่ า, าศาสดาในฐานะผู้ประกาศบอกกล่าวแนะนำเป็นผู้ชี้ทางเมื่อหากว่าคนเหล่านั้นไม่เดินพระองค์จะไปทำอะไรได้ตรงนี้ก็เหมือนกันถ้าหากว่าเรื่องโลกธรรมเราไม่รู้จริงๆแล้วเนี่ย เราก็คงไปตามยาถากรรมไปตามกรรมของเรานั่นแหละทีนี้โลกรธรรมอยู่ส่วนไหนของของเราเผ ม, ผมจะกล่าวข้ามไปนิดนึงนะท่านบอกไว้ว่าท่านยกตัวอย่างดูนะครับได้แก่รูปเวทนาสัญญาทัางๆนี่แหละโลกรธรรมโลกรธรรมหมายถึงขันห้าใช่ไหมก็คือขันห้าก็นับอยู่ในโลกรธรรมใช่หมุขทุกข์ก็คือเวทนาขัน นินทากับสารเสริญก็เป็นถ้าเป็นเสียงก็เป็นรูปประคันใช่ไหมแล้วก็เราเคยได้ยินเรื่องแบ่งโลกโลกหนึ่งคือสรรพสัตว์ทั้งหลายดำรงอยู่ได้ด้วยอาหารนั่นชีวิตของเราเนี่ยอยู่ได้ด้วยอาหารทั้งชีวิตรูปและชีวิตนามชีวิตรูปอยู่ด้วยกับพลีการาอาหารชีวิตนามอยู่ด้วยภัสสาหารวิญญาณอาหารแล้วก็มโนสันเจตนอาหาร โลกสองคือนามกับรูปโลกสามก็คือเวทนาสามโลกสี่ก็คืออาหารสี่โลกห้าได้แก่อุปาทานขันห้าเพราะฉะนั้นโลกหกอายตนาหกโลกเจ็ดวิญญาณทิติเจ็ดโลกแปดโลกกระทำแปดโลกกระรมทั้งแปดพวกนี้ก็เป็นโลกทั้งหมดเลยถ้าหากว่าโลกเหล่านี้เนี่ยเราไม่ตรัสรู้แล้วเนี่ยเราเนี่ยแหละจึงเป็นคนที่น่าสงสารที่สุด เพราะมาเคยถามตัวเองบ่อยๆเนี่ เ, เราสงสารตัวเองจริงๆไหมหวังความพ้นทุกข์ให้แก่ตัวเองจริงๆไหมถ้าหากว่าเราหวังพอความพ้นทุกข์จริงๆเอ๊ะแล้วทําไมเราจึงกล้าคิดชั่วกล้าพูดในสิ่งที่ไม่ดีไม่ไม่เกิดประโยชน์อย่างเช่นว่าจีทุจริตเราก็พูดบ่อยเช่นเพอเจอร์นะคุยเรื่องไ ม, ไม่ไม่เกิดประโยชน์เลยอะ่ะพูดไปอย่างนั้นเนี่ยสนุกสนุกขำขำตลกตล ก, ตลกไปแค่นั้นเสร็จแล้วก็รู้เอ๊ะนี่ สร้างเหตุแห่งความทุกข์ให้ทั้งนั้นเลยดังนเรานี่จึงเป็นคนที่น่าสงสารมากเพราะเราทำเหตุแห่งความทุกข์ให้กับตัวเองทีนี้ในขณะเดียวกันนะั้นถ้าหากว่าเราไม่ตื่นตัวไม่ตื่นไทยที่จะศึกษาในเรื่องของโลกให้แทงตลอดโลกเราจะไม่ทำถึงที่สุดแห่งโลกเราก็จะเป็นไปตามโลกหมุนไปตามโลกคือโลกกระทวันนี้สุขพรุ่งนี้ก็ทุกข์หรือว่าเอาเป็นชั่วโมงก็ได้นะ ชั่วโมงนี้ยืมอีกชั่วโมงหนึ่งก็บูดละอีกชั่วโมงหนึ่งก็ใช้หมุนเวียนสับเปลี่ยนกันไปัก็เป็นไปตามโลกสับหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปสิ่งเหล่านี้นี่แหละพระ อ, องค์ได้ทําให้แจ้งแจ้งถึงโลกและก็โลกสมุ ท, ทยัยโลกสมุทัยได้แก่อะไรนะคือคือพื้นฐานเราสังเกตเห็นชัดเลยว่าถ้าเรื่องกรรมไม่แน่นเนี่ยเรื่องอริยสัจเนี่ยพูดแล้วเราจะแผ่ว สังเกตไหถ้าเรื่องกรรมไม่แน่นนะเรื่องอริยสัจเราจะแผ่วมากที่สุดเลยเพราะว่าเราจะจินตนาการเรื่องเรื่องอริยสัจหรือโลกโลกสมุทัยที่ไหนก็ไม่รู้เราก็ไม่ค่อยตื่นภัยไอ้คำว่าโลกปุ๊บเนี่ยต้องนึกถึงวิบากและกรร ม, มชรูปเพราะถ้าไม่มีวิบากกรร ม, มชลุบเนะีเราไม่ได้เกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นๆเลยแต่พูดถึงคําว่าโลกปุ๊บอย่างเช่นภพสามเนี่ยกรมาภบรูปประภรูปอรูปประภรเอาอะไรเป็นเครื่องวัดก็คือเอา วิบากและกรรมชรูุกเอาปฏิสนธิเลยถ้าเบื้องต้นนะนับตั้งแต่ปฏิสนธิมามาจนถึงชีวิตขณะ น, นี้ชีวิตขณะนี้ภวังคจิตกับเมื่อปฏิสนธิเมื่อหลายสิบปีก่อนก็ไม่ต่างกันก่อนที่จะจิตจะขึ้นสู่วิถีแต่ละแต่ละวิถีนะที่จะรับอารมณ์ทางตาทางหูหรือวันนึกคิดต่างๆในขณะนั้นจะมีภวังคจิตเกิดก่อนผวังคจิตนั้นไม่ต่างจากปฏิสนธิจิต และจุติจิตต่างจากภวังคจิตนี่ไหมไม่ตาม่างจุติจิตของเราก็ไม่ตาม่างถ้าหากว่าเราไม่ละเยื่อาย ห, หรือเรียกว่าไม่ละโล ก, กัสมุทัยแล้วเนี่ยตัวจุติจิตดับปั๊บปฏิสนธิทันทีนี่ในพื้นฐานของกรรมมกรตาถ้าจเจริญเทวตานุสตินะเบอกว่าเทวดาเหล่าใดเป็นผู้มีศรัทธาเราก็มีศรัทธาเทวดามีศีลเราก็มีศีล เทวดาเป็นพหูสูตรเราก็เป็นพหูสูตรเทวดามีจาคะมีการเสียสละเราก็สละเทวดามีปัญญาเราก็ศึกษาพระธรรมคําสอนเราจึงไม่ต่างจากเทวดา น, นั้นอย่างนี้เรียกว่าเจริญเทวตานุสติถ้าปรารภลักษณะนี้บ่อยๆมันจะเชื่อมัน่นจะ ม, มั่นใจในกุศลธรรมที่เราเจริญไปพบดีแน่แต่ทีนี้ถ้าหากว่าแม้แต่จุติดับปับป๊ปฏิสนธิในพบที่ดีปฏิสนธิในเทวดา พบของเทวดาเที่ยงไหมเป็นตขนาดมนุษย์อย่างนี้ก็ยังไม่เที่ยงเทวดาก็มีอายุยืนกว่าอีกหน่อยหนึ่งแต่ก็หาความจรังยั่งยืนไม่ได้ถ้าหมดจากเทวดาแล้วจะไปที่ไหนถ้าหากว่าเราเป็นมนุษย์นะยังใช้เวลาศึกษาพระธรรมคำสอนได้ไม่มากนะักถ้าเป็นเทวดานะแทบไม่มีโอกาสเลยหลงแสงสีเสียงที่นั่นก็เต็มทีแล้วภารกิจมากพระอินเนี่ยมหาพุทธเจ้านะมานานไม่ได้ ต้องรีบกลับไปเขาก็งานของเขาอะ่ะมันก็ทุกยุคทุกสมัยมันก็เป็นอย่างนี้แหละก็พะหูกิจจากลับก่อนนะน่นะไปงานเขาไปไหนรู้ไหมไปเที่ยวสวนต้องเป็นประธานพาพวกเทพบริษัทไปเที่ยวสวนเที่ยวชมดอกไม้ก็เหมือนกับเรามีแขกมาก็ไม่ต่างกันเลยนะนะเราเนี่ย โ, โหสําคัญใหญ่โตทางโน้นเขาก็ใหญ่โตเหมือนกันทีนี้ไอกิจกรรมฟังธรรมก็ไม่มากนะักเราเห็นะล้อ ถ้าหากว่าเป็นมนุษย์นะเรายังเป็นอย่างนี้ไปเป็นเทพนะภารกิจจะมากกว่า น, นี้อีกหลายดิบเท่านั่นแหละปุะ๊บถ้าหากว่าเป็นเทพแล้วถ้าจุติจากเทพเราจะไปไหนต่อจากจารุมไปดาวเดืองจากดาวเดืองไปยา ม, มาคิดดูว่าพอไปอยู่ในสวรรค์นะส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้เป็นกุศลกันกุศลและจิต เ, เกิดน้อยมากคือที่จะให้ทานเนี่ยก็ไม่รู้จะไปให้ใครศีลก็ไม่รู้จะไปวิรับยังไง อย่างมากก็กุศลในประเภทฟังธรรมหรือเจริญภาวนาแต่บอกว่าเจริญภาวนานับอกว่าเทวดานี่ไม่เห็นทุกข์นะคนไม่เห็นทุกข์ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยสํานึกถึงคำเท่าไหร่มันก็จะเพลินไปขนาดอยู่กับมนุษย์อยู่กับกองทุกข์เห็นเกันอยู่นะชาติชรามรณะนี่เห็นเห็นกันอยู่มันยังไม่สังเวชใจเลยอะพอไปอยู่ที่เทพกุศลก็ไม่ค่อยได้เจริญนะเมื่ออยู่เป็นเทพกุศลไม่เจริญเนี่ยกุศลที่ทําไว้เป็นสมัยเป็นมนุษย์เนี่ย พอที่จะไปเป็นอะปราภะเจตนาเนี่ยให้ไปปฏิสนธิต่อไปได้ไหมถ้าคนเขามีบุญจริงๆนะมันก็เหมือนกับอ่าสมมุติว่าไปเที่ยวสักเที่ยวจังหวัดอีกจังหวัดหนึ่งใช่ไหมพอไปถึงจังหวัดนั้นจะเลยต่อไปอีกก็ได้ไปเรื่อยๆก็ได้ถ้าเขามีทุนมาเยอะแต่ถ้าทุนน้อยมันต้องรีบกลับมาทํางานใหม่แต่ทีนี้งานใหม่ส่วนใหญ่ก็ตกงานต่อไปอีกนั่นแหละถ้าไปสู่อบายแล้วก็ที่จะคืนค่อนข้างยากมาก ถ้ายิ่งเห็นสัตว์ในอบายเนี่ยยากจริงๆอย่าว่าแต่สัตว์ในอบายเลยแม้แต่มนุษย์เนี่ยอย่ามาเป็นมนุษย์อีกก็ยังยากถามว่ากองทุกข์เหล่านี้คืออะไรกันแน่ที่จะไปเป็นทุกข์ตังยาวไกลวะะัฏวัทุกข์เหล่านี้เนี่ยยาวไกลเพราะอะไรเพราะปัจจัยใช่ไหมปัจจัยที่จะทําให้วิบากและกรรมชั่วของเรายังมีกันเพราะเรายังทํากรรมกันอยู่เป็นกายะสังขารเป็น วจีสังขารแล้วก็เป็นจิตตสังขารขนาดไหนบ้างเราไม่เป็นสังขารเลยมีไหมชีวิตขนาดนี้มีสังขารไหมมีถ้าพูดก็เป็นวจีสังขารอย่างอาตมาเนี่ยทาว่าจีสังขารมากแต่ถ้าหากว่าไม่มีไม่เห็นนโยมปุ๊บนะไม่สนธนาปับ๊บจิตตสังขารเนี่ยคิดหละก็อยู่กับสังขารสังขารตัวนี้ถ้าเป็นกุศลก็ให้ผลเป็น เป็นสุกไปก็คือว่าวิญญาณก็เข้าถึงบุญปฏิสนธิที่สมควรแก่บุญถ้าหากว่าเจตนาหรือสังขารเหล่านี้เป็นอกุศลก็อกุศลอันนี้เนี่ยถึงอาจจะไม่ร่วมกรรมบทแต่มันไปสามารถดึงไอ้อกุศลอดีตเนี่ยมาให้ผลแทนได้เขามีอนุภาพมากเขาไปดึงได้เขาไปเชื่อมบาปอากุศลในอดีตมาให้ผลแทน ถ้าหากว่าเราตื่นตัวตื่นภัยในเรื่องของวิบากกรรมชรมากๆกขึ้นกรรมชรูปเหล่านี้จะไม่มีผลเลยนะถ้าไม่มีตันหาเป็นอุปนิสัยให้แต่คนที่จะละตันหาได้คนนั้นต้องเบื่อหน่ายในวิบากและกรรมชรูรวิบากและกรรมชรูปนั่นแหละก็คือคือโลกคือโลกนั่นแหละถ้าหากว่าเราไม่รู้จักวิบากและกรรมชรูปชัดเจน ไม่รู้จักสมุทัยของวิบากและกรรมมชรูปวิบากบางอย่างเป็นเวทนาขันวิบากบางอย่างเป็นสัญญาขันวิบากบางอย่างเป็นสังขารขันวิบากบางอย่างก็เป็นวิญญาณขันได้ยินเสียงนี้ก็เป็นวิบากที่เป็นวิญญาณขันนั่นแหละถ้าหากว่าเรารอบรู้ในอุปาทานขันเหล่านี้เมื่อรอบรู้ก็จะรู้ที่สุดแห่งอ่า วิญญาณหรือว่าแห่งวิบากกรรมชูุเหล่านี้ก็จะละคลายความถือมั่นได้แต่ว่าข้อปฏิบัติที่จะทำให้ละคลายเนี่ยมันคืออะไรก็คืออริยมรรคประกอบไปด้วยองค์แปในชั้นต้นต้องเข้าใจในเรื่องอาสะาธะของวิบากและกรรมชะอุสอาธะของวิบากกรรมชะุได้แก่อะไรอาศัยวิบากและกรรมชะุเหล่านี้ทาให้เกิดความสุขสมนัตขึ้น โสมนัสบางอย่างเป็นกุศลแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นอกุศลเป็นโลภะนั่นแหละคืออสสาท่าของสิ่งเหล่านี้หรือเขาเรียกว่าคุณนะนะคุณของสิ่งเหล่านี้หรืออสสาท่าของวิบากและกรรมชุปเหล่านี้ก็คือเกี่ยวข้องแล้วทาให้เกิดสุกโสมนัสขึ้นถามว่าอาทีนวะคืออะไรโทษเนาะทุกโทษ ก็เหมือนกับที่เคยกล่าวในครั้งก่อนๆถึงเรื่องของทุกตั้งแต่การทำมาหาเลี้ยงชีพเนี่ยวิบากกรรมมาชโลภอันนี้แหม่เลี้ยงยากจริงๆเลยนะมีเย็นมันอยากได้ร้อน่ะมีร้อนมันอยากได้เย็นมีจืดมันอยากได้เค็มมีเค็มมันอยากได้จืดมีไม่หวานมันอยากได้หวานมีหวานมันอยากได้ไม่หวานมันเลี้ยงยากจริงๆไอ้วิบากกรรมมาชโลภเนี่ยถ้าเลี้ยงธาตุดินมาก ผิดธาตุน้ําอีกเลี้ยงธาตุน้ํามากผิดธาตุไฟเลี้ยงธาตุไฟมากผิดธาตุลมมันเล่นงานอยู่อย่างนั้นแหละเลี้ยงไม่เชื่องอะมหาภูต ร, รูปเนี่ยเลี้ยงไม่เชื่องเป็น แ, แล้วก็ตบเท้าเข้าลงไปก็มีอยู่เท่านั้นเองแต่ทีนี้ว่าทุกโทษมันเป็นอย่างนี้ไอแต่ไอ้อัสาธาของมันนี่แหละก่อปฏิสนธิไม่เพราะฉะนั้นจะต้องศึกษาสิ่งเหล่านี้เพื่อเพื่อความหลุดพ้นถ้าไม่หลุดพ้นนะกองทุกในวัด คนที่บอกว่ายังไม่บรรลุแต่ขอบรรลุตามผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้ถึงไตรสรณคมนะเพราะว่าพราะองค์ตรัสรู้ทำใดเราจะขอตรัสรู้ธรรมนั้นตามพระองค์พระองค์เป็นผู้ตรัสรู้อริยสัจเราก็ขอเป็นผู้ตรัสรู้อริยสัจตามพระองค์ทีนี้ว่าเรายังไม่สามารถที่จะตรัสรู้โดยสิ้นเชิงก็ไม่เป็นไรก็ตรัสรู้แบบธรรมดาก่อนใช่ไหมตรัสรู้อะไรตรัสรู้วิบากและกา ร, รมชรูป คือเน้นมากที่สุดก็คือเน้นวิบากและกรรมชรุปถ้าไม่มีวิบากกรรมชรูปสิ่งนั้นไม่เกี่ยวอะไรกับเราเลยมีบ้านสักหลังหนึ่งนะถ้าเราไม่มีจกักขูวิญญาณไปเห็นก็ไม่เกิดประโยชน์เลยไม่มีกายะวิญญาณไปใช้สอยอย่างเงี้ยก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยนะเพราะฉะนั้นส่วนที่สําคัญที่สุดก็คือวิบากกรรมชรูปเข้าไปเกี่ยวข้องในสิ่งนั้นนั่นแหละถามว่าเมื่อเรารู้ว่าถ้าหากว่าอัาธะก็กิเลสเกิด ถ้าจะพิจารณาอาทีนวะยิ้มกับยิ้มไม่เคยออกแล้วทํายังไงล่ะคะนี่นั่นแหละทั้งข้อปฏิบัติของพระพุทธเจ้านะขึ้นต้นด้วยสัมมาทิฏฐิใช่ไหมสัมมาทิฏฐินะถ้าองค์มากอ่ะนะปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์เนี่ยขึ้นต้นด้วยสัมมาทิฏฐิชั้นที่สุดให้รู้ความเข้าให้มีความเข้าใจให้มันละเอียดก่อนนั่นแหละยังไม่ต้องเรียบพ้นหรอกเพราะเราเรารู้ว่าเราพ้นอะไรแน่ ในชั้นต้นเลยก็คือศึกษาเรื่องวิบากและกรร ม, มชรูปให้เข้าใจพอเข้าใจวิบากกรร ม, มชรูปจะเข้าใจเรื่องกุศลและอะกุศลด้วยก็จะรู้เรื่องกรรมและผลของกรรมดีใช่ไหมถามว่าการปฏิบัติอย่างนี้เนี่ยปฏิบัติให้เป็นทุกข์ใช่ไหมไม่ใช่นะเพราะว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าสอนเรื่องทุกข์แต่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ถามว่ามหากุศลเป็น โทมนัสเวทนาใช่ไหมไม่ใช่การเจริญกุศลต้องเป็นมหากุศลการเจริญกุศลนั้นมีเวทนาสองเท่านั้นคือโสมนัสกับอุเบขาอุเบขาก็ใกล้ๆกับสุขนั่นแหละฉะนั้นการปฏิบัติธรรมจริงๆไม่ใช่ทําให้ให้ทุกข์ถ้าปฏิบัติธรรมให้มันวิบากและกรรมาชรูปรับอกุศลแล้วิบากมากๆการทําตัวลักษณะนั้นเป็น อัตตกิละมะถานุโยกปฏิบัติตัวเพื่อสแสวงหาเอาการมมคูณหา้าบำรุงบำเรอวิบากกมมารรมชโลกมากอันนั้นเป็นก า, มมาาการมสุขัเลกาโนโยคแต่ข้อปฏิบัติที่เป็นทางสายกลางก็คือข้อปฏิบัติที่ศึกษาเรื่องวิบากและกมมรรมชโลปให้เข้าใจให้ละเอียดคือที่เน้นวิบากและกมมรรมชโลกนะเพราะว่าศาสตร์แขนงอื่นเนี่ยเขาก็ศึกษาอย่างเช่นเรื่องอาหารชรูปเนี่ยเขารู้ละเอียดมาก แต่ถามว่าเขาพ้นทุกได้ไหมถ้าไม่อยู่บนพื้นฐานของกรร ม, มสกตาสัมมาธิฐินะวิชาคะแนนลังตางเหล่านั้นจะเป็นไปเพื่อส่งเสริมวัตะทั้งนั้นเลยใช่ไหมถึงเขาศึกษาเรื่องเรื่องอาหารชรูปมากๆเพื่ออะไรเป็นที่น่าสังเกตว่าในพุทธศาสนานี่นะถ้าปฏิบัติธรรมที่ถูกนะครับจะไม่นาความทุกข์มาให้เลยถ้าหากว่าจิตท่านเป็นกุศลนะต้องอาถรรร่าเริงหนะ ลักษณะของการปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องเห็นแจ้งอ า, า, าถานสมาทานแล้วก็ร่าเริงแต่รู้สึกซึมซึมเศร้าเศรง่ยๆยเครียดเครียดยังไงชอบกนอยู่ขอให้รู้ทวันนี้ไม่ใช่นะเสร็จแล้วพระ อ, องค์บอกว่าให้ไปเจริญปีติสมโพธชงปสัสสถิสมโพธชงเจริญยังไงอ่ะปีติก็ด้วยการตามระลึกนึกถึงพุทธคุณเป็นต้นให้จิตมันชุ่มชื่นแช่มเช่นไปก่อนนั่นแหละ มีในพระไตรปิฎกบ้างไหมครับว่าการปฏิบัติธรรมแล้วใหม่มันเกิดทุกข์ทางกายหนักหนามีมัม้ยครับก็มีสําหรับพระที่ท่านท่านเจริญวิปัสสนาในลักษณะว่าท่านจะเอาบาลุวันนี้นะเนี่ยเช่นพระโสณะเนี่ยท่านก็เดินจนเท้าท่านแตกเนี่ยที่จงกรมของท่านเนี่ยเหมือนกับสถานที่ข้าววัวเหมือนลางฆ่าโคอะไั่นเลือดมันหูเป๊ไปหมดเลย คือที่ท่านเป็นอย่างนั้นเนี่ยท่านเข้าใจข้อปฏิบัติไหมเข้าใจเป็นอย่างดีเพียงแต่ว่าความเข้าใจในเรื่องการตับอินทรีย์ไม่ไม่ไม่ละเอียดเท่านั้นเองท่านจะเอาบรรลุเดียวนี้เลยคือพระสมัยก่อนที่ศึกษาพบในพระไตรปิฎกอัตถกถาเนี่ยท่านมีอธยาสายว่าท่านจะต้องบรรลุวันนี้เพรา ะ, ะนั้นท่านจึงไม่ได้มีเยื่อใหญ่ในกายเลยนั้นความทุกข์ของท่านจึงไม่ใช่ปัญหา อย่างบางองค์เนี่ยปฏิบัติอยู่ในปา่ามีอยู่กลุ่มหนึ่งสามสิบรูปไปปฏิบัติธรรมอยู่ป่าใกล้เสือมากเสือนี่มาคาบผ้าไปกินวันละองค์สององค์วันละองค์วันละองค์วันละองค์ถ้าหากว่าผ้าถ้าถ้าเป็นเราเนี่ยเราคงหอบจีวรนหนีแนะ่แต่ท่านไม่นะท่านก็ยังอยู่อย่างนั้นวันอุโบสถมาอ้าวผ้าหายไปเกือบครึ่งทีนี้วันหลังก็เตือนกันถ้าหากว่าใครเสือคาไปก็เรียกเรียกบอกกันด้วยนะ แต่ไม่มีวางแผนหนีเลยแรกเพราะท่านเหล่านั้นท่านรู้ว่าท่านอยู่ตรงนั้นท่านจะพ้นทุกแน่ท่านไม่ได้กลัวเลยต่อความตายเหล่านั้นเพราะท่านมั่นใจในปฏิปทาและข้อปฏิบัติของท่านว่าถึงท่านตายท่านก็ไม่ตกนรกและอีกอย่างหนึ่งสภาพจิตของท่านเหมือนกับจะพ้นจากกิเลสในขณะนั้นฉนั้นคนที่สามารถที่เจริญกุศลธรรมได้อย่างต่อเนื่องนะไม่มีอะไรแม้แต่อย่างเดียว นะถ้ากุศลจิตมันสามารถเกิดได้อย่างต่อเนื่องเนี่ยนะแม้แต่ชีวิตก็ไม่เสียดายออแสดงว่าขณะที่เกิดทุกทางกายเนี่ยแต่ใจท่านเนี่ยเจริญพรไม่ไม่ไมไมทุกไม่ไมีความทุกไ ม, ไ ม, กไม่มีโทมนัตต่อเลยฉั้นคนที่ไม่ได้อบรมไม่ได้ศึกษาไม่มีความเข้าใจเสร็จแล้วทุกทางกายแล้วก็จะต่อด้วยทางใจวิตกกังวลห่วงใย แต่ท่านเหล่านั้นเนี่ยมองมองไม่ใช่เป็นปัญหาแม้แต่นิดเดียวท่านรู้ด้วยเรื่องวิบากและกรรมมาเชิดีเพราะว่าท่านเชื่อว่าโอกาสที่จะให้ท่านมาแก้ตัวในการศึกษาอริยสัจมันน้อยมากเพราะอบายสี่มันเหมือนกับบ้านเราอะถ้าหากว่าเผลอไปอบายปั๊บเนี่ยก็หมดสิทธิ์แน่เพราะฉะนั้นท่านก็คำนึงเสมอว่าพระพุทธเจ้าก็เกิดขึ้นแล้วในโลก พระธรรมคาสอนท่านก็ศึกษามาดีแล้วท่านเป็นมนุษย์ด้วยท่านมีความรู้ความเข้าใจและก็ส่วนใหญ่เป็นชาติสุดท้ายของท่านด้วยท่านจึงไม่ได้มีความเยื่อใยเลยนบางองค์เนี่ยเรียกว่าลมมันตีจนจนท้องแตกก็มีนะพระสมัยก่อนที่ที่รับทุกขเวทนาขนาดนั้นก็มีแต่ว่าท่านไม่ได้มาเดือดร้อนใจกับเรื่องเรื่องราวเหล่านี้เลยเพราะท่านเชื่อมั่นในกุศลจิตของท่าน คือคนที่กุศลจิตต่อเนื่องนานๆเนี่ยนะว่าความตายมองเป็นเรื่องน่าขำโดยซ้าไปแต่ถ้าหากว่าคนที่อกุศลจิตมันเกิดบ่อยๆนะมองความตายเป็นหูอุปสรรคที่มันใหญ่โตมากน่ากลัวจริงๆคนที่อกุศลจิตมากๆเนี่ยนะถึงว่าตัวเองเนี่ยบางคนอาจจะบอกไม่เชื่อบุญเชื่อบาปเท่าไหร่หรอกแต่พอมองมันวิววิวเหมือนกันเพราะว่าทำบุญไว้น้อยอะ ฉันส่วนใหญ่แล้วสัตว์ที่กลัวต่อความตายนั้นก็คือสัตว์ที่ไม่มีบุญหรือไม่ได้สั่งสมบุญไว้ <c oughs> ข้อปฏิบัติที่ถูกตรงที่สุดในในคำสอนที่พระองค์ทรงแสดงไว้ก็คือข้อปฏิบัติเพื่อให้รู้จักวิบากกรรมมชรุกอันนั้นเนี่ยพูดอีกนี่นีสำนวนอภิธรรมเรานะรู้จักวิบากและกรรมชรุกสำนวนพระสูรเรียกว่า กรรมสกตาพระสูตรใช้คําว่ากรรมสกตาพิธามใช้คําว่าวิบากและกรรมชรูปทีนี้ส ม, มุติถขณะนี้นะเราพิจารณาในวิบากและกรรมชรูปมากไหมกุศลอะไรที่เป็นปัจจัยให้โสตะวิญญาณเราได้ยินเสียงธรรม ท, ที่ที่เป็นปัจจัยเราเราพิจารณาในแง่นี้ถ้าพิจารณามากนะ มันจึงจะเป็นไปเพื่อรู้อริยสัจถ้าหากว่าเราอ่อนในการพิจารณาและวิบากกรรมมชรูปมากเนี่ยเศกษาพะธรร ม, มีอยู่อย่างเดียวเท่านั้นเองวาสนาภาคียะศึกษาเพื่อวาสนาต่อไปแต่ถ้าหากว่าเรามีความเข้าใจในเรื่องวิบากและกรรมมชรูปดีนะมันจะศึกษาเพื่อความหลุดพ้นเลยถ้าสมมติพระสมัยก่อนเขาฟังธรรมเนี่ยเขาฟังธรรมแล้วก็ตรึกตามพิจารณาตาม แล้วสิ่งที่เขาตรึกตามเนี่ยไม่ใช่หลักลอยด้วยไม่ใช่จินตนาการที่ไหนก็ไม่รู้ท่านมีความเข้าใจทั้งหมดเลย